สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมาราวรุณกราพเจ้าพระมหาไยบูรณ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายศกในทุกๆวันของทุกๆสัปดาห์ของหลายปีมาแล้วรวมทั้งปีนี้ด้วยกราพเจ้ามาพบกันเติมฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันเวลาที่มาพบปะพูดคุยในแต่ละวันเตามฟัง เนื้อหาเรื่องราวของธรรมะเนีย่ยมันพูดได้อย่างชนิดที่เรียกว่ า, าไม่มีหมดพูดทุกวันแล้ก็วนไปวนมาในเรื่องเดิมแต่ก็มีความแตกต่างกันมีความหลากหลายแง่มุมมีความลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ฟังแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอแต่คําว่าไม่รู้จักอิ่มในที่นี้ไม่ใช่ว่าหิวตลอดเวลาแต่ว่าบริโภคเข้าไปแล้วมันก็ยังรู้สึกช่ำชื่ในใจ แต่ไม่อิ่มอึดอัดแต่ไม่เหมือนกับอาหารบางอย่างแมมดีดีมีคุณค่ากินมากๆขึ้นไปมันก็อิ่มจนอึดอัดได้หรืออาจจะเกิดเป็นพิษได้แต่กินต่อไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เป็นภายนอกแต่ว่าธรรมะนั้นพอเสพเข้าสู่ใจยิ่งมากยิ่งดีพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตกรณ์การตรัสรุปก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จากอิ่มไม่รู้จกพอในกุศลธรรมทั้งหลาย เสพอะธรรมะในตะํรรมวังเนะ่เสพให้มันถูกต้องให้มันดีเนะ่มีความเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วเราจะคลายความเมาคลายความมึนคลายความทุกข์ใจคลายสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาต่างๆในใจออกไปได้เสพนี่หมายความว่าเสพให้ถูกต้องปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ได้ให้เข้าถึงผลของธรรมะเนะ่จะเป็นการดีแน่นอนแต่มันไม่มีธรรมะที่มันจะมากเกินไปหรอก ธรรมะเกินไปแสดงว่าเสพไม่ถูกเสพไปเข้าทางกิเลสเสพเข้าทางกิเลสมันก็มึนแต่ไปติดกับดักของมารเราก็จึงจะต้องมาทําในลักษณะที่จะไม่ให้มารมันได้โอกาสจะทําไม่ให้มารได้โอกาสได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ลักษณะธรรมะที่จะไม่เป็นงูพิษจะเสพธรรมะอย่างไรไม่ให้เป็นงูพิษไม่ให้ธรรมะในที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้อย่างดีแล้ว กลาเป็นสิ่งที่จะทําอันตรายให้เราได้จริงๆแล้วมีแต่จะทําประโยชน์ถ้าเราทําอยู่อย่างถูกต้องสิ่งที่ทําให้เกิดความถูกต้องได้นั้นก็คือต้องมีการทาในใชจโดยแยบกายมีการอยู่นิสโสมนัสสิการใกล้ครัควนให้ดีให้ถูกแต่ถ้ามันทํามาแล้วรักยีเดชได้เป็นไปเพื่อล้างความมึนความเมาอันนี้คือเราจะได้ประโยชน์และทําให้มันไม่เป็นพิษงูได้แต่เป็นเซรั่มที่จะรักษาโรค ทำความกเกษมทำความดีงามให้กับผู้ที่เอาไปใช้เอาไปทำเอาไปปฏิบัติได้วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเงินท่านผู้ฟังเงินเงินทองทองนี่แหละเงินจริงๆนี่แหละเราพูดกันเรื่องนี้ธนบัติทรัพย์สินเงินทองโภชทรัพย์สินสมบัติต่างๆทั้งหลายแหละวันนี้ต้องการพูดถึงเรื่องนี้เราว่ามีบางคนก็บอกขึ้นว่าอ้ถามได้ทุกเรื่องจะเว้นเรื่องเงิน ที่ทำไมเรื่องเงินถึงถามไม่ได้หรือเรื่องเงินทำไมถึงจะคุยไม่ได้วันนี้แหละเราจะมาคุยถึงเรื่องของเงินเงิ น, เ ง, นเงินทองทอ ง, ท, องทรัพย์สินสมบัติภพอสัพต์ต่างๆว่าเราจะเข้าใจเรื่องภพกสัพต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไรถึงจะถูกต้องถ้ามันมีอยู่แล้วจะจัดการใช้จ่ายบริหารอย่างไรถ้ามันไม่มีทำยังไงถึงจะมีมากขึ้นโทษของมันมีไหมประโยชน์ของมันคืออะไรทางแก้ต่างๆเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองนี้กันเบอร์เดนแรกก่อนที่ต้องแจ้งให้ทราบสำหรับเรื่องของเงินเงินทองทองว่ามันมาอยู่ในหลากหลายรูปแบบแเป็นธนบัตรก็มีแล้วก็มีหลายสกุลเงินเป็นไทยบาทเป็นปอนด์สเตอร์ิงเป็น u s ดอลลเป็นอินเดียนรูปีหรือเป็นเรงกิตโอ้มีหลากหลายหน่วยอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่ง หรือสิ่งที่เป็นเงินทองนะจะเป็นรูปแบบของอัญมณีหรือว่าโลหะมีค่าเช่นทองคําแพลตินัม เ, เงิ น, นเงินในที่นี้หมายถึงโลหะเงินที่เป็นโลหะหรือว่าเป็นโลหะอย่างอื่นหรืออาจจะอยู่ในรูปของวัสดุต่างๆเช่นอาจจะเป็นหม้อเป็นอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมีค่ามีราคา ที่เราจะต้องไปซื้อหามาหรือว่ามันเก็บสะสมไม่ได้มีคุณค่ามีราคาต่อไปอาจจะเป็นผ้าไม้พวกนี้ได้ทั้งสิน้นหรืออาจจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นป่าไม้หรือว่าข้าวเปลือกหรือว่าเป็นพวกพืชพันธุ์ไม้หรืออาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ตัวเขียวเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นที่ดินบ้านเรือนประสาทพวกนีนะ้ถือว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้เหนะมือนกันนะต้องการจะแบ่งสัสดส่วนให้ชัดเจนทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังด้วยว่าคุณค่าของสิ่งต่างเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในตัวมัน เ, เช่นว่าค้าวเปลือกก็มีคุณค่าของมันในลักษณะที่มันจะใช้กินได้แล้วก็มีคุณค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้ แต่ตรนี้คือที่เรากําลังพูดถึงว่ามีคุณค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้มีคุณค่าในตัวมันแล้วก็มีคุณค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้สิ่งของต่างๆแน่นอะนมีคุณค่าในตัวมันโลหะทุกชนิดอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยป่าไม้หรือว่าพันธุ์พืชข้าวหรือแม้แต่กระดาษที่เป็นเรามาทําเป็นธนบัตรก็มีคุณค่าในตัวมันเนอย่างเช่นเขาเอากระดาษมาปั้มตรงนี้ทําลวดลายตรงนั้น มาสมมุติว่านี้เป็นธนาบัตรราคา1000บาทแต่ว่าคุณค่าโดยความเป็นกระดาษของมันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่กี่บาทแต่แต่ว่าการที่มันเป็นธนาบัตรเนี่ยทำให้มันมีราคา1000บาทแต่เพราะนั้นคุณค่าของตัวมันก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็คุณค่าในความที่ใช้เป็นการแลกเปลี่ยนเด่นตัว น, นี้ก็ส่วนที่2จะทําความเข้าใจตรง น, นี้กันนะเพื่อที่จะแบ่งแยกแล้วก็อธิบายให้เกิดความเข้าใจต่อไปได้ นะักคุณค่าที่ของตัวมันเป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยอันนี้คือมันมีอยู่แน่นอนแตนะทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกต่อให้ของที่เราคิดว่าไม่มีค่าไม่มีราคาเช่นน้ำํำแต่มันก็ยังมีคุณค่าของมันที่ดื่มได้อาบได้ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้คนต่อยุคต่อม า, ย, อมายุคสมัยนี้แหละหัวใสเอามาใส่ขวดใส่อะไรอา้าวมีคุณค่าในการแลกเปลี่ยนกลายได้ขึ้นมาอีกอันนี้ก็ส่วนที่2องอยกตัวอย่างให้ฟังแต่สำหรับคารวาสสาหรับคาวาส นะคุณค่าสองส่วนนี้คุณสามารถที่จะเข้าถึงได้ทําความเข้าใจหรือว่า ใ, ใช้งานได้ทั้งสิน้นอันนี้คือสําหรับคราวาสตัวตัวไปต้องชี้แจงเบื้องต้นให้ทราบ ต, ตรงนี้แต่สําหรับสมณะคือนักบวชแต่สำหรับสมณะคือนักบวชนะถ้าพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองแต่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้สมณะเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวเลยนะสิ่งที่เป็นรูปียะนะตรงนี้ก็คือหมายถึง คุณค่าจุดที่สองในะที่ว่ามีคุณค่าในการใช้แลกเปลี่ยนตรงนีนะ้ไม่ควรรับสิ่งเหล่านี้มาเช่นเลือกสวนไร่นาข้าเปลือกหรือว่าแม้แต่ธาตุชายหญิงกรรมกรพวกนี้แต่ถ้าจะรับมาในลักษณะที่จะมาทำต่อให้เกิดสินทรัพย์มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนกันพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่รับอย่ารับพวกนีเ้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องของศีล สำหรับพระภิกษทุที่เป็นนักบวชทีนี้นักบวชถ้าพูดถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์เราก็จะมีส่วนที่รักษาศีนแใช่ไหมกับที่ศิน10ขึ้นไปสินแปดก็สามารถที่จะรับเงินและทองได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แต่ตั้งแต่ศีนสิขึ้นไปแล พ, พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้รับเงินไม่อนุญาตให้รับเงินรับทองในที่นี้ก็คือรับมาเพื่อที่จะมาซื้อขายแลกเปลี่ยน รับมาเพื่อที่จะเป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้มีอยู่ในบัญชีไม่รับไม่ให้ยินดีในที่เขาเก็บไว้ให้ด้วยถึงรับมาแต่จะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความผิดขึ้นไปอีกอันนี้คือเรื่องของสิ่งของปรากก็คือเหมือนเป็นงูพิษเลยเคยตรัสกับท่านพราอนุนบ้าสิ่งนี้เป็นงูพิษในสมณะไม่ควรที่จะเข้าไปข้องแวะกวนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือประเด็นที่1นึ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสมณะก็คือไม่ต้องไปยุ่งจบไปแล้วสำหรับคารวาสละ ถ้าต้องสะสมเงินและทองยินดีในทองและเงินมีโปรคทร์ับต่างๆอยู่แต่สิ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมแต่ว่าความแตกต่างกันในรูปแบบของทรับต่างๆมันมียกตัวอย่างเช่นธนบัตรธนบัตรเนี่ยง่ายในการซื้อขายแลเกเปลี่ยนใช่แต่ว่าคุณค่าในตัวของมันเองเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่าความที่มันเป็นกระดาษเฉยๆแต่เป็นกระดาษอย่างดีก็จุดไฟ หรือว่าเอาไปชําระเช็ดล้างต่างๆตรงนั้นเป็นกระดาษที่ชู่เป็นลักษณะนั้นไปนี่คือคุณค่าในตัวมันแต่ว่าแม้มูลค่าสมบุรณ์นี่คือหนึ่บาทนะหนึดอลลาร์นะหรือว่า50ปอนด์นะนึ่ธนบัตรใบหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นมีมูลค่าในทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ว่าคุณค่าของมันจริงๆมีแค่นี้ต้องการจะเปรียบเทียบกับคุณค่าของสิ่งอื่นๆทันระวังเศรษฐกับข้าวเปลือกกับข้าวสารข้าเปลือกกับข้าวสารเนี่ยถ้าเราดูดีๆ ข้าวเปลือกเนี่ยจะต้องมีมูลค่ามากกว่าข้าวสารนั้นเพราะว่าความที่สามารถที่จะเอาไปปลูกแล้วโตได้อีกแต่แต่ข้าวสารนี่ปลูกต่อไม่ได้กินได้อย่างเดียวแม้แต่ข้าวเปลือกจะกินนกต้องเอาไปตำเอาไปอะไรก่อนผ่านกรรมวิธีมันก็จะมีความล่าช้าตรงนี้หรือแม้แต่ผ้านผ้าที่เป็นพับๆนี่แหละผ้าพื้นนี่แหละจุดประสงค์ของผ้าก็คือนุ่งห่มเพื่อที่จะคลายความร้อนมางความหนาวบ้างแม้แต่เอาข้าวสารมาห่มก็คงจะไม่ได้ เพราะนั้นมันก็จึงมีคุณค่าของมันอยู่ในในความที่เป็นผ้าตรงนั้นในความที่จะใช้งานตรงนั้นไม้ก็เหมือนกันแต่ไม้สามารถมาสร้างบ้านเรือนได้แต่กินก็คงไม่ได้เอามาห่มเพื่อที่จะคลายความหนาวความร้อนก็ไม่ได้แต่อยู่อาศัยได้แต่มันก็แตกต่างกันไปแล้วก็จึงแบ่งเป็นพวกที่เกี่ยวกับปัจจัยสส่วนหนึ่งในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยสส่วนหนึ่ง การซื้อขายแลกเปลี่ยนก็มีแต่จึงมีมูลค่าของตัวมันมีมูลค่าในการที่จะใช้แลกเปลี่ยนด้วยแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับมาที่ธนบัตรธนบัตรกินไม่ได้แน่นอนแต่คุจะกินกระดาษเนาะก็คงจะกินได้ ค, คํา2คําต่จะกินเป็นอาหารให้รอดไปหลายๆวันมันคงจะไม่ได้แต่มันอาจจะมีพิษด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สถ า, านการณ์ด้วยว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆตัวนี้ยมูลค่าของความเป็นตัวมันเนี่ย มีอยู่แน่นอนคงที่ไม่มีแปลนเปลี่ยนแปลงแต่มูลค่าในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของค น, นไม่เท่ากันอันนี้คือต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามูลค่าของมันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นได้ลงได้อยงเช่นทองคําตัวทองคําเองจะมีมูลค่าของมันอยู่แล้วความแวววาวความที่มันขึ้นรูปได้เป็นโลหะที่อ่อนเป็นโลหะที่หายากอันนี้คุณค่า มูลค่าของมันมีอยู่แล้วแต่ว่าราคาในตลาดเนี่ยมันขึ้นขนลงลงฮะเออเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ํามันบ้างความต้องการของคนบ้างแนะมีคนมาปั่นบ้างมีคนมาฉุดลงบ้างมีคนที่จะเอาไปเก็บบ้างคนเอามาปล่อยบ้างมันก็ราคามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอันนี้มีอยู่2ส่วนแต่ทำความเข้าใจก่อนทำความเข้าใจอันนี้คือประเด็นที่2ที่พูดถึงมูลค่าที่เป็นไปต่างๆกันนะไม่เท่ากันของทรัพย์สินแต่ละแบบมีทั้งข้อดีข้อเสีย อยู่ในตัวมันอันนี้คือประเด็นที่2องใประเด็นถัดมาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติตรงนี้และความสูญเสียไปของมันก็จะมีอันนี้คือประเด็นที่3 ท, ท, ท, ที่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆทั้งหมดแลว่ามีภัยที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเหล่านั้นได้แน่นอนภัยในที่นี้นะข้าพเจ้าไม่ใช่หมายถึงว่าการที่เราแบบใช้จ่ายแล้วมันหมดไปนะภัยในที่นี้ก็คือเกิดแล้วมันหมดไปเลยนะคือเก็บไว้นี่แหละ ไว้ว่าจะใช้เก็บไว้ว่าจะสะสมนนั้นแต่ว่ามั น, นันหมดไปนะเกิดจากอะไรได้บ้างที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ก็คือภัยที่เกิดจากโจรนะได้มีโจรโมวยไปภัยที่เกิดจากไฟภัยนะที่เกิดจากน้ำํำนหะมายก็ว่าถูกไฟไหม้ถูกน้ําท่วม เ, เช่น ท, ที่ดินอย่างเงี้ยแหมมีมูลค่าดีๆอยู่ใช้พปลูกได้ใช้สร้างสิ่งได้ได้แต่พอ น, น้ําท่วมานนแล้แหมใช้งานไม่ได้ หรือว่าบางคนเก็บทองคําเอาไว้นนในหม้อฝังไว้ในดินเกิดน้ําท่วมแล้วก็ซ้อตะลิงพังน้ําพัดพาไปตามแม่น้ําหายไปอย่างงี้ก็มนะีหรืออย่างที่สามภัยที่เกิดจากพระราชาพระราชายึดเอาไปบ้างแต่ในกรณีนี้คุณอาจจะต้องเงินที่คุณเก็บไว้คุณต้องมาจ่ายภาษีย้อนหลังถูกค่าปรับบ้างถูกดําเนินคดีต่างๆก็ต้องใช้เงินพวกนี้เป็นภัยที่จะ จะเกิดได้อย่างที่4อย่างที่5้าที่จะทําให้โภกระษั์เหล่านี้หมดไปได้นั่นก็เรียกว่าทายาทที่ไม่พอใจนั่นทายาที่เป็นแกะดําใช้เงินไม่ถูกต้องล้างผานรัพย์นี้เกิดขึ้นได้ข้อที่5ในประเด็นที่3ที่พูดถึงว่าความที่ทรัพย์เหล่านี้นัมันเป็นสาธารณะกับภัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ซึ่งในเรื่องนี้ครัานเจ้าเคยเปรียบเทียบกับความที่ไม่เป็นสาธารณะของอริยซัพย์ ในอริยะทรัพย์มีสมาธิมีศีลเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เป็นสาธารณนะนะกับภัยต่างๆเหล่านี้แต่คือหมายความว่าสิ่งต่างๆ5อย่างนี้มันจะมาทําอันตรายทรัพย์คืออริยะทรัพย์เนี่ยไม่ได้แลนะเราก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยกต่อให้คนอื่นได้อันนี้ได้เคยคุยไปแล้วนําเปรียบเทียบกับเรื่องของอริยะทรัพยนะ์ที่ว่าไม่เป็นสาธารณนะนี่คือประเด็นที่3คือความเป็นสาธารณนะกับด้วยภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่คือไม่เกิดขึ้นได้ล่ะ ทุกคนประเด็นถัดมาก็คือว่าการที่จะได้มาซึ่งโภคทรัพย์ทรัพย์สินสมบัติเงินทองข้าวของอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันได้มาเนี่ยแน่นอนอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของผลของกรรมที่เกิดขึ้นลผลของกรรมที่เราเคยทามาจะแปลเปลี่ยนมาเป็นรูปของความสุขต่างๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนโภคทรัพย์เป็นหนึ่งในนั้น ส, สังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเป็นข้าวเปลือก เป็นธรรบัติเป็นเงินเป็นทองที่เกิดขึ้นแในะเป็นผลของกรรมแในะที่ให้ผลอันนี้เป็นไปได้แตนะ่ซึ่งอาจจะเป็นกรรมเก่าแในะที่มาส่งผลในปัจจุบันหรือเป็นผลของกรรมในปัจจุบันที่เราสร้างเอาไว้ได้ทั้งนั้นแตนะ่แล้ววิธีการที่จะสร้างให้ถูกต้องนะทําอย่างไรถึงจะได้นะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกรรมตรงนี้แตนะ่ก็กว้างกว้างพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ทั้งบุฟังนะบอกว่าถ้าบอกว่าเราต้องการเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินสมบัติ ร่ำรวยด้วยลาบปัจจัย4แต่สิ่งที่ควรทําก็คือว่าทําศีลให้บริบูรณ์ให้ดีมีความสงบแห่งใจเป็นผู้ที่ไม่เหินห่างจากสมาธิประกอบด้วยวิปัสสนาให้อยู่เรือนว่างะมีอยู่4อย่างศีล ส, สมาธิปัญญาและการฝึกปฏิบัติในการหลีกเล่นอยู่เรือนว่าง4อย่างนี้เป็นกว้างๆคร่าวๆเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะให้ผลของบุญผลของกุศลนั้น นะออกมาเป็นรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองอันนี้ได้นั่นะคือการได้มาคุณต้องได้มาอย่างนี้แต่ถ้าได้มาจากการขโมยอันนี้ไม่ถูกต้องนั่นะสร้างบาปสร้างกรรมแต่ในระบบที่ถูกต้องเราก็สร้างกรรมดีนะั่มีศีลสมาธิปัญญานี้เป็นทางกวง้างๆแตนะ่ถ้าจะเฉพาะเจ า, าะจงลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปเอาปัจจุบันเพราะว่าผลของกรรมที่เกิดจากการรมดีที่เราทํามาในอดีตก็มีผลของกรรมที่เราจากการที่เราทําในปัจจุบันแล้วก็เกิดขึ้นได้เอาปัจจุบันนี้ก่อนปัจจุบัน แต่เราควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นทางมายอย่างโปรกซับบริชาทได้ตรัสไว้ถึง4อย่างด้วยประวังอย่างแรกคือเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในการทํางาน 2. เป็นผู้ที่รู้จักรักษาทรัพย์แต่รู้จักรักษาทรัพย์คือเปลี่ยนแปลงคุณมีเป็นเงินสดใช่ไหม เ, เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังหาริมทรัพย์หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้เปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นๆเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเช่นทองหรืออัญมณี อนอื่ๆเพื่อที่จะรู้จักรักษาบางทีมูลค่าที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยมันตกลงแต่แต่ว่าสิ่งนี้ยังคงอยู่ได้อันนี้คือข้อที่2สิ่งที่ทาให้เกิดเป็นโภคทรัพย์ในปัจจุบันได้แตัดมาข้อที่3ามนั้นคือการที่จะต้องมีเพื่อนดีเหนเอแปลว่าเงินทองทรัพย์สินเหล่านี้เหนือสูญเสียไปได้ด้วยการมีเพื่อนชั่วเหนเพื่อนดีเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งของความที่จะเป็นเพื่อนดีกันก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนให้ใเวลาที่เราประมาท ข้อที่4ี่เคือรู้จักการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนักไม่ใช้จ่ายฝืดเกลื่องนักพอมาถึงจุดนี้นะจึงมีคําที่เราจะต้องเข้าใจส่วนที่2องแต่ว่าต้องมีการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองที่เรามีต้องมีการใช้จ่ายในลักษณะไหนตรงนี้คือเป็นประเด็นที่4ี่ต้อวังแต่ประเด็นที่ 1, 1เราพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองกับสมณ ะ, ะถ้าเป็นนักบวชตั้งแต่ศีลสิสขึ้นไปก็ไม่ควรคล้องแวกเรื่องนี้มันเป็นไปในทางกาม แต่ข้อที่2เราพูดถึงมูลค่าของมันมูลค่าในตัวมันเองมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ข้อที่3เราพูดถึงความที่มันไม่เป็นสารธรรมเนฐกับด้วยภัยต่างๆมีโจรมีไฟมีน้ําเป็นต้นแต่สูญเสียไปได้สูญหายไปได้แต่ข้อที่4เราพูดถึงว่าทํายังไงถึงจะได้มันมาอยู่ในตอนนี้่ว่าด้วยกว้างๆก็คือเป็นผลของกรรมดีที่เราสร้างไว้โดยการที่มีศีลสมาธิปัญญาแลักษณะนั้น แล้วโดเฉพาะเจาะจงนะ้ะที่จะเป็นผลจากการทําความดีในปัจจุบันก็คือ4อย่างตรงนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นัคือมีความขยนันรู้จักรักษาทราพัพมีเพื่อนดีรู้จักการใช้จ่ายในข้อที่4ของประเด็นที่4แต่จริงต้องการไปถึงประเด็นที่หว่าเราใช้จ่ายอย่างไรล่ะะใช้จ่ายอย่างไรทรพัพเนี่ยควรจะหมดไปด้วยการกระทําการแบ่งใจ่ายในหน้าที่ต่างๆอย่างถูกต้องลเลี้ยงบรราบิดาเลครอบครัวให้ดีนี่คือข้อที่1รู้จักในการที่จะแบ่งไว้เป็นส่วน ส่วนนี้ลงทุนส่วนนี้กินส่วนนี้เก็บไว้ในคราวเปัญญามันตรายนี้คือการใช้จ่ายในส่วนที่2ส่วนที่3ามนี่คือการสละออกให้ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยคนที่เขาต้องการช่วยญาติบ้างและส่วนที่4นี่คือต้องจ่ายในเรื่องการทาบุญแต่ที่ต้องระวังในประเด็นที่5เรื่องของการใช้จ่ายนี่ก็คือว่าทรัพย์นี่ถ้ามันจะหมดไปโดยที่ไม่ใช่สีหน้าที่นี้ถือว่าคุณทําไม่ถูกถือว่าไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่างดีเพราะว่าหมดไปเช่นอะไรมีเพื่อนชั่ว เช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการบนนันเป็นนักเลงเจ้าชู้แต่นะถ้าหมดไปในสีหน้าที่นี้ถือว่าผิดถือว่าทําไม่ถูกแล้วถ้าเปิดไม่ใช้เลยล่ะเขียมอย่างเดียวเหนียวอย่างเดียวไม่ใช้เลยก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองนะเป็นของที่หมดไปได้เหมือนมีเงินอยู่แต่ว่าไม่ได้ประโยชน์จากเงินนั้นเลยมีน้ําอยู่เป็นเขื่อนแต่ว่าตัวเองก็ปากแห้งหิวน้ําอยู่ตลอดเวลา ทำไมอะเอามากินแค่หยด2หยดมันกลัวมันจะหมดแต่มีน้ำเป็นเขื่อนอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกหลักไม่ถูกหน้าที่เพราะว่าสิ่งของเหล่านี้มีการหมดไปสิ้นไปถ้ามันไม่หมดด้วยไปต่างๆเราตายไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีบริษัทเจาจึงแนะนําว่าถ้าใช้ก็ต้องใช้ในสีนาทีนี้ใช้ในสีหน้าที่นี้ถูกหลักด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนี่คือการที่จะทําให้ทรัพย์หมดไปสิ้นไปเลยเปรียบเทียบกับสาบบกกรณีแต่ถ้าบอกว่ามันไป มีอยู่ในดินแดนของอมนุษย์มียักษ์อยู่มีผีเฝ้าอยู่อย่างเงี้ยคนจะไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้แม่มันเสียไดย้แต่ถ้าผอกว่ามีการใช้อย่างดีคือถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเสื่อมโทรมไปได้ไม่ถูกหลักแต่ถ้าใช้อยู่อย่างดีนนในสีหน้าที่ในการที่จะใช้ใจ่ายเลี้ยงดูครอบครัว ม, มานาบิดาลูกหลานใช้ใชาเลี้ยงดูเพื่อนฝูงใช้ใจ่ายเลี้ยงดูญาติมิตรลูกน้องทานกรมรมกรพวกนี้อย่างดีแล้ว นะให้ใช้ใจ่ายอย่างถูกต้องอันนี้ดีอันนี้ถูกต้องแตนะ่ถ้าใช้ใจ่ายยังไม่ถูกต้องแต่ทนะําให้มันเสื่อมโทรมไปหมดไปไม่ถูกแล้วนะก็ใช้ใจ่ายในทางอบายมุกนะจึงต้องปิดกั้นอบายมุกเหล่านั้นมีการเป็นนักเริงเจ้าชู้นักเริงสุรามีเพื่อนชั่วแล้วก็การพ น, นันพวกนี้ต้องหยุดเลยนะไม่ใช้ใจ่ายซัพย์ไปในทางนั้นอันนี้คือประเด็นที่5แนตะ่ว่าทรัพย์นั้นจะต้องมีการใช้ใจ่ายไม่ใช้ใจ่ายไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้ ทีนี้การใช้จ่ายตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราจะต้องระวังว่าเนื่องจากปกทรัพย์เหล่านี้เป็นผลของกรรมดีที่เราได้เคยทํามานะตรงนั้นหมดไปได้ทรัพย์นั้นหมดได้ถ้าแปลว่าเราบริโภคไม่เป็นใช้ไม่เป็นทรัพย์นั้นหมดได้หมดแล้วไม่มีมาใหม่ด้วยหร่อนะคือบางคนคิดว่าเออมีข้าเปลือกนี่ก็เอาไปหวานในดินนะโตขึ้นมาเอาก็ได้ข้าวมากขึ้นมีมากขึ้นและมากขึ้นนะนี่คือสิ่งภายนอกเท่านั้นเองที่เราเห็นแต่เรื่องที่สําคัญภายใน ก็คือเรื่องของกรรมลผลของกรรมแต่ว่าเราก็จะต้องมีกรรมดีถ้าเราใช้ใจ่ายอย่างดีอันนี้เป็นกรรมดีด้วยมันก็จะเป็นผลให้เรามีโพกรัพั์ภายนอกแต่ถ้าเราใช้ใจ่ายอย่างไม่ถูกต้องไม่ใช้ใจ่ายเลยมีอยู่ผลนั้นมันก็จะค่อยหมดไปหมดไปนะนี่นก็เป็นเรื่องของกรรมแน่นอนว่าผลของกรรมมันก็จิตจางไปได้เพราะฉะนั้นการใช้ในลักษณะที่พระพุทธเจ้าแนะนํานี้จะทําให้บุญเกิดขึ้นแต่แล้วอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการมีโพกรัพับมากเนี่ย อาจจะทําให้มัวเมาได้มัวเมาในยิ่งจะทําให้เกิดบาปแต่บาปนี่ก็เป็นอีกบัญชีหนึ่งจะเป็นบัญชีบาปสะสมไว้สะสมไว้รอวันที่จะให้ผลมันได้จังหวะเมื่อไหร่มันจะให้ผลได้เพราะฉะนั้นถ้าผอว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองสมบัติแล้วอย่ามัวเมาในสิ่งนั้นนั่นคือประเด็นที่6เพราะว่าถ้ามัวเมาประมาทแล้วอาจจะทําให้เกิดอกุศลธรรมต่างๆได้ใช้ในทางที่จะเป็นไปนในทางอบายมุกใช้ในทางที่จะทําให้เกิดการผิดศีล ในการสนับสนุนให้มีการเบียดเบียนกันอันนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ควรทําอย่ามัวเมาตรงนั้นแ ต, แต่ให้เป็นผู้ที่ตามเห็นโทษในทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของกรรมท่านงอย่างที่ได้บอกไว้ตอนแรกว่าทําไมสมณะทําไมผู้ที่ประพฤติพระมาจในรูปแบบที่สูงขึ้นดีขึ้นเนี่ยไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมแต่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นความสุขต่งตางๆได้ เนความสุขทางหูทางลิ้นทางสมูกได้หมดถ้าแปลว่าเรามองเห็นโทษของมันตรงนี้อันนี้แหละเป็นบุญแต่เป็นบุญตรงนี้ก็จะให้ผลเป็นโภคทรัพย์ที่มากขึ้นได้อันนี้แน่นอนแต่มันฟังดูเหมือนขั ด, ข, ดขัดกันนิดนึงนะท่านผู้ฟังแต่ระบบของกรรมมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราทําความดีในสิ่งที่เป็นกุศลคุณก็มีโภคทรัพย์ขึ้นได้พระบทมเจ้าตรัสว่าสีเลนะโภคสัมบัตศีลเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ศีลเป็นกุศลธรรม จะมีโพกระซั์ขึ้นได้อันนี้ใช่แต่ถ้าเรามัวเมาลุ่มหลงในโพกระซั์ที่เกิดขึ้นบาปขุ้เพิ่มนะเนี่ยบาปเพิ่มมันมีจังหวะมันให้ผลนะมันก็จะทําให้โพกรัพท์ต่างๆเหล่านี้หมดไปศูนไปได้แต่ถ้าบอกว่าเราไม่มัวเมามีน้อยก็ตามมีมากก็ตามไม่มัวเมาในสิ่งนั้นอย่าลืมนะว่ามีน้อยก็เมาได้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราไม่เมาไม่มึนอันนี้เป็นบุญไม่เมาไม่มึนเป็นบุญมียิ่งมากขึ้นได้มีมากขึ้น ไม่เมาไม่เมินในสิ่งนั้นมีมากขึ้นได้มีมากแล้วรู้จักใช้ใจดีนะ่ะสะสมไม่ยังดีอันนี้มันก็ค่อยๆพอกพูนบอกพูนพระพุทธเจ้าเปเรียบเหมือนกับจอมปลวกนะที่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่าสะสมนี่แหละทีละน้อยตามเห็นโทษของมันไม่ใช้ใจในเรื่งของอบายมุกน่ะมีการใช้จ่ายอยู่อย่างถูกหน้าที่ตามเห็นโทษในเรื่องของสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆคอยระวังสิ่งนั้นนะ่ะก็เหมือนกับรวงพึ่งนะรวงพึ่งที่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้น โตขึ้นถึงจุดหนึ่งก็มีน้ำพึ่งดีแต่เป็นประโยชน์ได้นี่คือเรื่องราวของโภคทรัพย์ท่านผู้ฟังที่เราจะต้องทำความเข้าใจในในทั้งหมด6แง่มุมด้วยกัน6ประเด็นด้วยกันข้าพเจ้ารวบรวมมาตรงนี้จากพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างในการที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังบริโภคกามแต่เป็นคารวาสยินดีในทองและเงินมีการสะสมโภคทรัพย์เหล่านี้อยู่พวกควรเข้าใจอย่างนี้สำหรับสามณะ ผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปเว้นขาดจากสิ่งที่เป็นไปในทางการในเงินทอง น, นี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงซ ะ, ะไม่สะสมไม่ไปยุ่งกับมันแต่เราทําความเข้าใจแล้วว่ามูลค่าของทรัพย์นั้นมีทั้งสิ่งที่เป็นตัวมันเองมีมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่เราเข้าใจตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้ถึงทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยมีมูลค่าแตกต่างกันไปขึ้นลงได้แต่ประเด็นที่3คือมันหมดไปได้นะจากภัยต่างๆ เพราะมันไม่เป็นสาธารณะกับภัยต่างๆเหล่านั้นแต่มันไม่เหมือนกับอริยทรัพย์ส่วนที่4ี่ก็คือการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์เหล่านั้นแต่นี้มีเพิ่มเติมนิดนึงเพราะเมื่อสกักครู่ได้พูดถึงแก่ว่าทําปัจจุบันอย่างไรถึงจะได้ผลเป็นปกรทรัพย์ขึ้นมาแต่ที่พูดถึงเรื่องของความขยันเป็นต้นเนี่ยก็ยังมีอีก4ี่อย่างที่จะเป็นไปเพื่อบุญกุศลทําให้ทรัพย์ของเราเพิ่มขึ้นมาได้นั่คือการมีศรัทธามีศีลมีจาระค์การให้การบริจาคแล้วก็มีปัญญา ซึ่งมันก็จะอยู่ในแนวทางของศีลสมาธิปัญญาที่แหละทําตรงนี้กุศลธรรมเราเพิ่มแดีวก็จะให้ผลของกรรมดีเดีส่งผลออกมาเป็นโพกษัพที่มักขึ้นได้และประการที่5้าเนวทรัพย์นั้นก็ควรจะหมดไปสิ้นไปโดยการแบ่งใจในหน้าที่อีก4อย่างเด่๋ยวย้ายมันหมดไปสิ้นไปในเรื่องของปอัยมุขแล้วข้อที่หกเราต้องมีการระมัดระวังในในโพกษัพที่มีอย่าให้มีการลุ่มหลงแต่ตามเห็นโทษกับมันอยู่เรื่อยไป เราจะเป็นผู้ที่รักษาโภคทรัพย์นี้เอาไว้ได้แต่จะพูดถึงจริงๆแล้วเรารักษาบุญนั่นเองเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นชื่อว่าเรารักษาอย่างดีแต่ตอนให้เราเอาเงินเก็บไว้ในตู้เซฟฝากธนาคารเอาไว้นั้นมันก็ยังเป็นสาธารณะกับด้วยภัยต่างๆไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารักษาจิตของเราให้ดีนี่แหละตะมุหวังเป็นการรักษาโภคทรัพย์ที่ถูกต้องหแต่เราก็ไม่ใช่แค่โภคทรัพย์ด้วยแต่ชื่อว่าบุคคลนั้น เนีนได้รับการรักษามีสติคุ้มครองตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเป็นบุคคลที่ใครๆเขาก็จะยกย่องมีชื่อเสียงกระจายไปในทางที่ดีและจะพูดให้ถูกก็คือว่าเป็นผู้ที่เจริญที่สูงแลนะด้วยโพกษะด้วยเป็นผู้ที่สูงด้วยจิตใจด้วยและตาตันบุฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในสิ่งใดๆแต่ก็เกียนมาถามกันได้ยินดีที่จะตอบให้โดยสื่อสารกันมาได้ในเขียนเป็นจดหมายนะถ้าเป็นคําถาม เห็นดหมายหรือปริศเียบัตส่งมาที่วัดปา ด, ดอนหายโศกโดยตรงเลยในเลขที่หมูแปรตาบนดอนหายโศกอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ถ้าสรุกทางเว็บไซต์กับ p ียว t รรมะคอมถ้าต้องการขอซีดีอย่าส่งมาที่อุดรธานีเพราะว่ามาที่นี่มันจะล่าช้าให้ส่งไปที่สถานีพิทูกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนั้นส่งเป็นซองปล่าที่จะแต้มไปนั่ส่งไปที่นู่นจะได้รับความสะดุกได้รับความรวดเร็วกว่าส่งมาที่อุดรเฉพาะต้องการถามคําถามเท่านั้น ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจะเรีป่ปาน